ให้เราภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติในการสร้างคุณงามความดีของเราเอต่างคนต่างน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาดูเข้ามาอันที่ท่านพูดอยู่นี่นะมันเป็นอุบายนะพูดให้ฟังเพราะว่าจริตนิสัยของแต่เวเนยศัสตร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันจริตนิสัย บางคนพิจารณากาหนดพุทโธจิตใจมันก็เบิกบานเป็นสมาธิง่ายแน่ลงง่ายบางคนก็กำหนดหมรณะมรณะอย่างเงี้ยจิตใจมันก็สงบได้แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลออจะเอาอย่างเดียวกันไม่ได้อย่างเรารับประทานนี่ก็เหมือนกันบางคน ชอบเผ็ดบางคนชอบจืดบางคนชอบหวานชอบเชมแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันให้เราน้อมดูพิจารณาดูที่ท่านพูดให้ฟังนั่นนะเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ท่านศึกษาแล้วเรียนมาน่นนะท่านว่าให้ฟังเป็นอุบายแต่การประพัะติปฏิบัติอยู่ที่เราเอออยู่ที่จิตวิญนิสัยของเราเออเอาดูเข้ามาน้อมเข้ามาในกว้าง ตอกยาวานาคืบนี่แหละของแต่ละ บ, บุคคลนั่นนะให้มันเป็นอสุภะอสุพังเกิดให้มันเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายให้รู้แจง้งตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเออพอเราหลงในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหะมัผูกมัดจิตใจของเราเราจะมาแก้เราเป็นคนมัดจะให้คนอื่นแจกก็ไม่ได้เราเป็นคนมัดเราก็ตกเป็นคนแจ้ เราแก้ใจของเราต่างคนต่างแก้ต่างคนที่คายมันก็ได้ไปละวันละเล็กเวละน้อยเนี่ยการสร้างคนงามความดีการสร้างบุญสร้างกุญไม่เหมือนกัรสร้างบาปเดี๋ยวนี้มันเรามันเป็นติดอยู่ในแค่พิธีเออการทำบุญก็ทำเพราะเป็นพิธีอะไรเหล่านี้เนี่ย เหตุนั้นน่ะเวลาสร้างความชั่วหรือสร้างบาปนี่ไม่มีพิธีน่ะไม่ได้ตั้งท่าเลยแหละเอเหตุนั้นเวลากิเลสมันจะเล่นงานเรามันไม่มีพิธีเลยแหละมันไดี๋ยวยกคูเออก่อนเวลาเราจะนั่งแล้วก็ทําที่ยกคูอะไรไหว้ครูเลยเวลากิเลสมันจะเล่นงานมัน ม, มีมีเวลามันไม่มียกคูยกอะไรถึงเวลามันเอาเลยนะอ่าพอนั่งสักไปเดียวเดียวเนี่ยข้าไปนั่งใกล้มอนเ่ะไม่นานแหละ มันเล่นเอาไหลลงถึงหมอนนั่นน่ะได้ยินแต่เสียงไงมันใชโยกล้องห้องอยู่นั่นอ่ะนั่นอุบายของเขาเจ่งขนาดไหนเหตุฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่ตั้งใจสู้ไม่ตั้งหน้าสู้มันสู้ไม่ได้เรื่องของเกเรนั่นน่ะให้เราย้อนดูพิจารณาดูสิเรานอนตั้งแต่วันเกิดนั่นน่ะแต่ตั้งวันเรา เกิดขึ้นมาออกมาจากท้องแม่น่ะมันได้อะไรเอาย้อนดูพิจารณาดูสิแต่ละวันละวันเอการนอนถ้านอนมากมีแต่นอนลูกเดียวมิแต่นอนอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์เนีอยถ้าจะเดินอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่นี่สิ่งเหล่านี้แต่นั่งอย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์อีกต้องใช้เปลี่ยนอริยาบทอืม มันเป็นแค่นี้คนเราเพราะโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์ถ้าเราย้อนมาพิจารณาดูไม่มีความสุขเลยแหละเอที่เราเปลี่ยนอิริยาบทหรือเรารับประทานพระ ก, ก่อนนั้นน่ะเพราะแก้ความทุกข์เอตนานั้นทุกข์เกิดขึ้นมาท่านให้พิจารณาที่คลายให้มันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขา เมื่อเราพิจารณาให้มันรู้ตามสภาว่าความเป็นจริงของเขาแล้วจิตใจเราก็สบายละมังเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราก็ภูมิใจเราจะได้ต่อสู้กันนั่นเมื่อเวลาความตายมันมาถึงอ่อให้ดูเวลาตอนนั้นอ่ะเวลาเราเจ็บเราป่วยเวลาเราป่วยเนี่ยเวลาเราไขา่อย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งพิจารณานั่งสมาธิดูนี่ เพราะเวลาทุกขเวลานามันต่อสู้กันแนะ่ะกับธาตุกับขันเนี่ยถ้าเรามีสตินะมันจะเพลินเลยแหละเออนั่งดูอยู่นั่นแหละเอออันไหนมันจะเก่งกว่ากันนะเออขันตินั่นความอดทนวริยะความเพียรนั่นนะเออถ้าไม่มีวริยะไม่มีความเพียรมันก็ไม่ กน็ไม่เรียกว่าความอดทนอย่างเรานั่งเนี่ยเนี่ยมันเจ็บนั่นปวดนี่มันกเ็เราก็น้อมพิจารณาดูซิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เ, เรื่องธรรมดาของโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาเราก็เกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้พอโลกอันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความแก่ความเกิดความตายเต็มเป็นอยู่อย่างนี้ ไม่ได้ว่ามนุษย์ไม่ได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่เขาพูดไม่ได้แต่มนุษย์เป็นผู้ใจสูงเป็นผู้ประเสริฐเราสามารถที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติให้รู้กว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นโอกาสของเรา ให้เราอยกแยะพิจารณาดูเท่าพยายามน้อมโอภารายโกน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาอย่าไปดูคนอื่นดูเจ้าของการปปฏิบัติถ้าไปดูคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นจะให้เป็นจลิตนิสัยอันเดียวกันไม่ได้คนเรามัน เวเนียร์นิยัตรีพระพุทธเจ้าท่านประทานให้มาแปดหมื่นสี่พันพัทธมันนั่นน่ะเพื่อจริทิศสัยของแต่ละเวเนยาสัตรีเพราะมันไม่เหมือนกันไม่สร้างสร้างมาไม่เหมือนกันเหตุทนั้นจึงท่านจึงประทานพอประมาณแปดหมื่นสี่พันพัทธมฆันแต่ธรรมะแท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่เล น, น้อยนะแหอมากมายกายกอง ที่ท้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ที่เลยไม่ได้จารึกไว้น่นนะนอไม่ใช่ใ น, น้อยแต่มันขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของเราจะทันกลอุบายของกิเลสหรือไม่อยู่ที่นี้เราดูอยู่ที่นี้พิจารณาอยู่ที่นี้แต่ละวินาทีดูที่หล่าใจของเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ย มันคิดไปนู่นมันคิดนี่พยายามกำหนดคำบริกรรมอยู่แต่มันก็นยังวกไปวกมาท่านเจบอุปมาปุปไมเหมือนลิงกล็กกลักรกลๆ ก, ก, ก, กอยู่นั่นแ่ะถ้าเรามีสติถ้าขาดสติเราก็ไม่ทันมันเสียเรานั่งอยู่นี่มันไปอยู่นี่อยู่บ้านน่นบางทีเลยไปไหนก็นไม่รู้เพราะอันนั้นนะเพราะอะไรเพราะขาดสติ เราเผลอเราก็พยายามทีแรกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างการประฝึกปฏิบัติก็ปรธรรมดาเหมือนกับเด็กมันหัดเดินบางทีมันก็เดินไปมาเตาะมาแตะไป บ, บ้างก็ล้มไปบ้างลุกขึ้นได้มันก็ค่อยเดินไปบ้างพอมันหัดเดินไปเรื่อยๆมันก็แข็งไปเรื่อยๆการฝรึกปฏิบัติของเราก็เหมือนกันพยายามกําหนด พิจารณาให้สติอยู่กับคำบริกรรมบางครั้งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกาหนดให้มันทีเข้าบางทีมันลืมแล้วก็กาหนดมันทีเข้าทีเข้าเพื่อให้จิตใจของเรามีหลักชัยมีหลักยึดเมื่อมันมีหลักยึดมันก็ไม่ไปคิดถึงสิ่งเหล่าอื่นแล้วบันฑิตอ่า มันกับเด็กเวลาเราเอาเด็กใส่เปยหรือใส่อูนมันร้องให้ไม่หยุดกวยเปยเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดเราก็มีอูบายเอาผ้าแดงๆไปแขวนไว้นั่นน่ะแข่งไปแขวงมาเพอเด็กมันร้องให้ร้องไปเรามาเห็นผ้าแดงๆมันก็ไม่นั่นแหละมันก็ตามันจอ้องมองอยู่นั่นน่ะมันเลยลืมลืมคําร้องให้มันนะ่ะลืมแล้วบาเนี้ ลืมไปลืมมาแล้วมองรู้ไปมาแล้วไม่นานแล้วก็หลับอันนี้ก็เหมือนกันเรานั่งสมาธิเราบริกรมรมกาหนดเข้ากาหนด เ, ข, เ, เข้าเราก็ลืมเจ็บขาเราก็ลืมเี้ า, าปวดขาเราก็ลืมเจ้อปวดเอวเราก็ลืมเจ้าเรากำหนดในคำบริกรมรมของเราพอลืมเข้าก็ได้ได้คำบริกรรมเลยจับเอานั่นได้แล้วก็เออสบายละวันจิตมันก็อยู่ใน คำบริกรรมนั่นดิ่งอยู่นั่นแนะ่ะมันก็เป็นสมาธิแหละเราไปเห็นแต่ในตำราว่าสมาธิความตั้งใจมั่นมันพอมันเกิดที่ใจแล้วะมันมัน่นไม่มัน่นเราก็รู้แหละบันเออมั่นขนาดไหนไม่มั่นขนาดไหนเออเราก็รู้แหน่มันเป็นอย่างนี้อยู่ที่เราอยู่ที่สติเหตุฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าขาดสติแล้ว ก็เหมือนขาดภาวน า, าสําคัญอยู่ตัวนี้ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่เป็นสมาธิพอเราขาดขาดหลักยึดขาดหลักของมันพยายามสติคืออะไรสีคือความระลึกได้เวลาณิขนา น, นี้เราทำอะไรเรานั่งสมาธิการงานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ปล่อยว่าไว้ ฟางไว้เราพยายามทิ้งไว้เราไม่ไปพะวงไม่ไปคิดถึงมันภาระภายนอกเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้เรามานั่งภาวนาเรามาทำจิตของเราให้เป็นสมาธิ เ, ออเหตุนั้นภาวนาท่านจึงว่าทาให้เกิดให้มีขึ้นออแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าสมาธิมันเป็นยังไง ความทุกข์มันเป็นยังไงเราไปเห็นอยู่แต่ในตำรับตำลาอ่านทุกวันทุกวันทุกครั้งว่าเป็นของทนได้ยากเฉยอยู่นั้นแหละถ้ามันมาเกิดที่กายที่ใจของเราเนี่ยเราจรึงจะรู้บ้านี้เรามาแยกแยะมาพิจารณามาขี้คลายให้มันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เออ มาเนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเราก็เฉยเป็นอุเบกขาวางเฉยเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราสร้างบุญสร้างบุญศน์ไว้พอแล้วมันก็สบายแล้ะบันี้อยู่ก็อยู่แบบสบายไปกับแบบไปแบบสบายไม่มีความทุกข์ความร้อนเพราะเราได้สร้างคุณงามความดีไว้มากแล้ว เราเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็สบายไปอยู่ใต้ร่มไม้ก็สบายอาไปนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเราไม่ได้สร้างศัตรูเราไม่ได้สร้างความชั่วไว้ถ้าเราสร้างศัตรสูสร้างความชั่วไว้ไปอยู่ในห้องดีดีกวกลัวอยู่นั่นแหละไปลงไปอยู่ในใต้ใ น, น้ำหรือว่าไปอยู่ในถ้าในเหว ก, กว่กลัวนั่นเพราะเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ เราสร้างแต่ความชั่วเอออยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายถ้าเราสร้างคุณงามความดีเลยเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายเออแล้วจะนอนก็นอนสบายเอออยู่ในห้องไม่ไม่ล็อกก้อนไม่อะไรก็ไม่ไม่เป็นไรไม่มีใครจะมาฆ่าเนี่เพราะเราสร้างแต่คุณงามความดีนี่แหละความคุณงามความดีเลยคุ้มครองเราเออทำน่ะ เราจะรู้ว่าจะคุ้มครองได้หรือไม่คุ้มครองได้แล้วก็มาดูเวลานี้ขนาดนี้แหละเออเรานั่งอยู่เนี่ยต่างคนต่างพิจารณาต่างคนต่างน้อมเข้ามาดูเข้ามาที่กว้างสอบยาวานาคืบนี่แหละไม่ต้องไปดูที่อื่นต่างคนต่างมีพบอาการสามสิบสองทุกคนแย่แยะดูพิจารณาดูเออถ้ามันเหนื่อยเราก็พวกเข้าไปไปพักเถอย เมื่อมันหายเหนือล้วก็ย้อนเข้ามาย้อนออกมาพิจารณาดูแต่เราเคยพิจารณาส่วนไหนของร่างกายเราก็เอาส่วนนั้นหละมาพิจารณาจนมันเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายตามสภาวะความเป็นจริงของเขาส่วนอื่นไม่ต้องไปพิจารณาเป็นอย่างเดียวกันหมด ท่านจึงว่ามันลาบเหมือนกองไส้เนาะถ้าเราย้อนมาพิจารณาดูเออไม่ใช่วันวันนี้เราพิจารณาส่วนนั้นแล้ววันหลังเราวันต่อไปเร า, าย้าอยู่เรื่อยเหมือนเราปลูกต้นต้นไม้น่นนะต้นมะ บ, บ่วงบ้างต้นขนุนบ้างถ้าเราย้าอยู่เรื่อยมันก็ตายแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้ผลนี่เราปลูก ศรัทธาความเชื่อของเราก็มีศินเราก็มีเราก็รักษาเวลานี้ขณะ น, นี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักไปขโมยของใครเวลานี้ขณะ น, นี้เรามีสินเอาปัจจุบันอาสินเอาปัจจุบันาธรรมอืสิ่งที่มันล่วงไปแล้วกับเป็นอดีตอนาคตยังไม่มาถึงเราก็ไม่ไปผวงหาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเอาปัจจุบันาธรรมเนี่ย การประพฤติปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าก่อนท่านตัดตรู้ท่านก็เอาปัจจุบันธรรมดูอลมลอมัสสะๆๆสะปัสสะจิตท่านท่านจึงสงบนั่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านชี้บอกแล้วนะท่านชี้ไว้ชี้ทางผนทางไว้แล้วเราก็ไปตามนั้นแหละไปตามแผนที่นั่นแหละเออเออ อางเราจะสร้างบ้านทาบ้านเนี่ยล้วก็ตรงมีแผนที่มีแบบแปนเราจะไปอาศัยแบบแปนก็ไม่ได้เพราะมันมันไม่สิติสังขอาศัยถ้าเราสร้างตามแบบตามแปนตามที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้สอนว้มันก็ถูกมันก็สบายอันนี้ก็เหมือนกันเราจะทำบ้านสร้างบ้านก็เหมือนกัน ต้องมีแบบมีแปนแต่เราไม่ไปอาศัยแบบอาศัยแปนแต่อาศัยที่เราสร้างอยู่อันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีแบบมีแปนมีครูมีอาจารย์ครูอาจารย์คืออะไรล่ะแล้วก็ธาตุสี่ขันห้านี่แล้วเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเราเกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนี้ขนาดนี้ เอาสิ่งที่มันมีอยู่นี้แล้วมาพิจารณาเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี้แล้วมาขี้กายให้มันเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเอาไปด้วยได้ไหมแม้แต่ร่างกายกจิตใจของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดลมปรานแล้วเราก็เอาไปไม่ได้ สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุคือกุศลแล้วเราจะทำยังไงมันจะเกิดมีขึ้นบุญกุศลเราก็พยายามหาอุบายที่คลายแยกแยะให้มันเกิดให้มันมีขึ้นที่ใจของเราเส่วนธาตุดีขันห้าเรื่องเหล่านี้ มันเป็นสมบัติของโล ก, กเขาเรียกว่าเป็นกา ก, ากเมืองเอาทิ้งวันนี้แหละต่างคนกันต่างทิ้งวันนี้เอออย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายเหลือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยถ้ า, าท่านเอาเอาสิ่งไหนนี้มาสร้างขึ้นทําขึ้นให้มันเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเป็นบุญเป็นกุศลแล้วบุญกุศลก็ไม่เอาทิ้งอีกเออเราไม่ยึดไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ เออมันกเกิดนิพพานความนิพพานควาเมเื่อนายแล้วบ่ไม่กลับมาเกิดอีกไปกลับไปแบบสุขโตอยู่ก็อยู่แบบสุขโตเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปตามหน้าที่เมื่อถึงเวลาถึงการถึงเวลาแล้วเราก็ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาใจเราก็ไม่ทุกร้อนเลยบันี้เออสบายเนี่ย เป็นเป็นอย่างนี้การปรปิบัติปฏิบัติมันหนีจากคนที่ไม่เคยประบัติปฏิบัติเออคนไม่เคยประบัติปฏิบัติล่ะเมื่อเวลาจะหมดลมปานหรือว่าเวลาจะตายนี่เกิดทุรนทุรายแหลววะวันนี้อ่ไม่มีสิ่งที่จะต่อสู้ออันนี้เราเตรียมตัวไว้เตรียมท่าไว้สู้มันเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมา บุญเราก็เต็มแล้วที่ใจของเราเพราะบุญก็เป็นนามธรรมาใจของเราก็เป็นนามธรรมาเต็มแล้วพอแล้วอะไรก็พอเออสมบัติข้าวของเงินทองอันจร่งเหล่านั้นน่ะแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะหามามาบำรุงมาเป็นเครื่องอาศัยของเขาของเราแต่แต่ละบุคคล เออถ้าเรามีสติมีปัญญามากเราก็ได้ครอบครองมากแต่เราเอาไปด้วยไม่ได้ท่านจึงว่าปัดใจเครื่องอาศัยไปชั่วระยะหนึ่งขณะหนึ่งเวลาหนึ่งให้เราน้อมดูสิเราเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละบุคคลเน่ยแต่ละคนละคนช่วอายุไขในไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากนะเอ่อฝะเดียวฝาดาวอืมให้เราย้อนดูพิจรารณาดูตั้งแต่เราเป็นเด็ก วิ่งเล่นอยู่นั่นเออมันเป็นอีกวัยหนึ่งวัยนั้นน่ะไม่มีความคิดอะไรหรอกมีแต่ความเล่นความเพิดความเพลินไปตามวัยไปตามอายุไขเออเมื่อเราเติบโตขึ้นมาหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปอีกอย่างเมื่อจ้าระหว่างกลางคนแล้วก็ไปอีก จิตใจเนี่ยเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เมื่อถึงช่วงนี้เราก็พยายามละสร้างเอาละบัน้นสร้างคุลวามความดีมาประพฤติปฏิบัติอืตั้งใจแต่ละคนอืคนอื่นเขาทําเขาก็ได้เราทำมาเราก็ได้เออหมือนกับเราละประทานนี่แหละเราประทานเราก็อิ่มเราจะให้คนอื่นละประทานให้ก็ไม่ได้ การประปฏิบัติมันจะขาดทุนขาดทุนศูนย์ดอกก็อยู่ที่เรา อ, อยู่ที่แต่ละบุคคลถ้าเราประมาทเราเพิดเพลินไปตามสัญญาอารมณ์ไปตามกิเลสที่มันลากไปดึงไปมันก็ไม่มีอะไรแหละบันคุณงามความดีก็ไม่มีที่จะอาศัยที่ใจอาศัยน่ะที่ใจจะอาศัยไป สู่โลกข้างหน้านั่นมันไม่มันมันก็ไม่ไปที่ไหนหรอกอถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาเอาปัจนนปจุบันนี่แหละดูปัจจุบันนี่แหละขณะนี้เวลานี้ใจเรามันเป็นยังไงอืมมันเป็นบุญเป็นกุศลไหมบุญกุศลมีไหมเออดูเวลานี้ขณะนี้เออถ้าบุญกุศลเรามีจิตใจเราก็เบิกบา น, น่ะบาน ถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ใจเราก็หอเหอี่ยวละถ้ากเกิดมากก็ขาดทูนสูนดอกไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเนีน่ยนะมันสู้สัตว์ดิแล้วฉันไม่ได้ สัตว์เนี่เขาตายเลยเอามารับประทานได้แต่มนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยตายแล้วเอามารับประทานก็ไม่ได้เกิดขยะข ย, ยงเกิดความรังเกียรติขึ้นแหน่อย่างสตว์อย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นมีประโยชน์ทั้งกระดูกแต่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติพยายาม บำเพ็ญเพียรเรียกว่าตปะปาทำเผาเข้าพิจารณาเข้าย้อนเข้ามาดูเข้ามาแต่กระดูกเรือกหรือว่ากระดูกหรือว่าเราเรียกว่ากระดูกสมมุติว่าเป็นกระดูกแต่ว่าเป็นของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติบัดชอบแล้วท่านเรียกว่าอาัธิธาตเราก็ชอบอีกหละเนี่ยเราไปหลงอยู่แค่นั้นเนาะเออของเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติถ้ า, ถาเราทําเอาก็เป็นได้อย่างท่านเ อ, อ อยู่ที่การประพติธปฏิบัติอมันก็ไม่เหลือวิสัยเออยู่ที่ขันติความอดทนของเราถ้าเรามีความคอดทนการประพติธปฏิบัติมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในการประพืชปฏิบัติของเราเราก็ได้อย่างท่านแต่ท่านไม่ได้เอานาะจริงเหล่านั้นอันลลอทิ้งหมดปล่อยทิ้งไว้ในโลกนี้แหละ ให้เราผู้ที่หลงงมงายนั่นแหละมาหลงอยู่สิ่งเหล่านีม้มาติดอยู่ในวัตถุสิ่งเหล่านี้นั่นนั่นแหละให้เราน้อมมาพิจารณาดูเข้ามาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงที่ท่านกล่าวว้ายให้ท่านสอนไว้บอกล้ว่ายพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนไปทางชั่วท่านสอนแต่ทางดีทาง ช่วท่านก็บอกบอกให้เว้นเห็นไหมที่เรารับสาลับรับสินนั่นนะไม่ใช่ว่าท่านบอกอันนั้นเป็นตัวสินนะอันนั้นเป็นโทษท่านให้งดเว้นเวลามณีเวลามณีนั่นนะนะท่านให้เว้นออกไม่ให้ไปพื้นปฏิบัติเป็นโทษของมันอย่างเป็นพระนี่ท่านก็เอาไว้พอประมาณสองร้ยิกเก็ดข้อนั่นแหละเป็นโทษไม่ใช่สินนะ สินได้แท้อันเดียวรักษาอยู่ที่ไหนรักษาอยู่ที่ใจรักษาอันเดียวนั้นแหละครอบหมดอืมอันนั้นเป็นโทษท่านชี้บอกเป็นโทษของของของนั่นของสินถ้าสินได้แท้แล้วในระดับปกติของของใจคนถ้าเป็นปกติแล้วก็สบายแหละถ้ามันผิดปกติแล้วก็อ่าเราก็ดูได้นะ ที่คน ผ, ผิดปกติสร้างความชั่วบ้างเสียจริตบ้างนั่นแหะคน ผ, ผิดปกติเราดูตอนนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไม่ผิดปกติเราเป็นคนปกติอยู่ใจเราก็ปกติกายเราก็ปกติเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอย่างยุงมันมากขอเอานิ่นี่หน่อยแล้วก็ปล่อยให้เสียเรียกว่ า, านะบาลามี ทานะปรารภะพาปรามีไปเสียทานเลือดทานเนื้อไปเสียเนี่มันก็สบายแหละเราไม่ไปสนใจอืมทานอย่างอื่นเราก็ทานได้เนี่ยใจเราเราก็เป็นบุญแล้ะมันกินเราก็เป็นสมาธิแหละเรามากินเราไม่ฟุ้งซ่านถ้าเวลานั่งมันเกิดงดยิตเกิดลาคาญ เราก็พยายามโอบปันโกโน้อมเข้ามาดูเข้ามามนั่นละ่ะใจเรามันเป็นบาปช่วงนั้นน่ะวันไหนเรานั่งรู้สึกว่าพิจารณาเอาทมบทไหนมาพิจารณาเอาทมบทไหนมาขี้คลายมาดูกดรู้สึกว่าจิตใจเรากดออนโองนั่น เราใจเราเป็นบุญแล้วอืเราก็เพลินแล้วบนี้เพลินในการปฏิบัติแต่การปฏิบัติเนี่ยท่านเอาปัจจุบันธรรมอย่างวันก่อนตอนก่อนก่อนเรานั่งรู้สึกว่าใจเรามันอ่อนปงใจจิตเราเป็นสมาธิดีเราจะเอาส่วนนั้นมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านให้ไม่ให้คานึงถึงที่เราก็สวดอยู่ให้เล่าปัจจุบั น, นธรรมสมมติว่าเรานั่งจิตมันเป็นมันพูงซ่านเราพยายามกำหนดคำบริกรัรมให้มันทีเข้าทีเข้าให้มีสติขึ้นเมื่อมันมีสติขึ้นจิตเราก็เป็นสมาธิระบมันก็สบายล่ะแหมมันเป็นอยู่ที่นี้นะมันดม่ใช่ที่อื่น มันอยู่ที่เราเราเป็นคนมัดประกอบเป็นคนแจ้ใจคนอื่นแจ้ให้แกแจ้ไม่ได้เอออยู่ที่เราอยู่ที่แต่ละบุคคลเออไม่ใช่ว่าทําแท้น่นะนะไม่ได้เรียกหญิงมาเรียกว่าชายทําแท้น่นะนะเอออันนั้นมันเป็นสิ่งสมมุติเฉยๆเออ สมมติว่าเป็นหญิงสมมุติว่าเป็นชายสมมติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นสามเณรเพื่ออะไรละ่ะเพื่อกันหลงเพราะเรามันเป็นคนหลงอยู่แล้วท่านก็นเลยสมมุติเราก็เลยไปติดสิ่งเหล่านี้ไป ย, ยึดสิ่งเหล่านี้มันก็นเลยลืมลืมทำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออบัดนี้สิ่งเหล่านี้เรา ไปติดไปยึดในสิ่งสมมติอยู่นี่เราบัดนี้เราจะมาเพิกเพิกสมมติออกจากใจของเราที่คลายให้มันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงที่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้เราพยายามสงบสติอารมณ์สงบวาจาดูดูใจของเราที่เราเคยปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมา ต่อเนื่องกันว่าเวลานี้ขณะ น, นี้จิตเรามันไปติดอยู่ตรงไหนมันไปก้องอยู่ตรงไหนแล้วก็มาแก้เดี๋ยวนี้เรามาแก้นะอืมแก่ตัวของเราสร้างบุญสร้างกุศลใส่ใจของเราเอานี่ละ่ะเอาร่างกายเอาธาตุสี่ขั้นห้าเนี่มาสร้างเอาบุญเอากุศล เราจะเอาธาตุสี่กันห้าไปสวรรค์ น, นิพพานไปด้วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของโลกเราจะขนไปไม่ได้พร้อมเป็นวัตถุเราก็เอาวัตถุนี้แล้วมาสร้างเอาเป็นเอาบุญกุศลเพราะบุญกุศลนันเป็นนามธรรมใจก็เป็นนามธรรมเราเอาทั้งสองอย่างนี้ไปมันเป็นของเบาเป็นของคู่ควรกันธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของที่ควร กับจิตใจของเราพุทธศาสนิกชนไม่ว่าเป็นภิกษุหรือสามเณรหรือว่าอุบาโสคุบาสิกาสมควรกับสิ่งเหล่านี้ส่วนร่างกายจิตใจธาตุสี่ขันหานี้มันเป็นวัตถุเป็นของท่านเรียกว่าเป็นของอสุภะอสุฟังเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเรามันติดอยู่สิ่งเหล่านี้เราก็พยายาม มาขี้คลายพิจารณาให้มันเกิดนิพิทาความเบียอหนายขึ้นเมื่อเกิดนิพิทาความเบื่อหนายแล้วเราก็จะไม่หลงในสิ่งเหล่านี้จิตเราก็สบายแล้วม嘛จิตเราก็เป็นกุศลไม่หลงไม่งมงายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็ตตั้งใจประพืดปฏิบัติกอบวยเอาบุญเอากุศลใส่ใจของเรา เพราะเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่ละคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจมาทุกวันทุกวันมาสร้างเอาบุญเอากุศลใส่ใจของเราเราก็เตรียมตัวอย่างตอนเช้าเราก็ถ้าให้ทานอย่างนี้เราสร้างเอาทำเอาทานทานการให้การเปื่อแพร สงเคราะห์ซึ่งกันและกันอมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วแล้วก็ศีลของเราก็เอาไปศีลปัจจุบันนี้แหละทำไมต้องเอาศีลที่อื่นเอออย่างพระพุทธเจ้าก่อนท่านศีลได้ ต, ดตรัสนระู้นั้นท่านก็เอาปัจจุบันธรรมนี่เราเอาปัจจุบันทําลศีลเราก็มีแล้วปัจจุบันนี้เราก็เอาศีลของปัจจุบันนี้เรื่มาสร้างขึ้นทําขึ้นเออเพราะอะไรเราก็ครบแล้ว กล้างกายใจเราก็ครบแล้วกายว่าใจของเราก็ครบแล้วเราก็เลี้ยงแต่เราจะเพิ่มกระเพิดปฏิบัติเอาอยู่ที่เราถ้าเราประมาทเราก็ขาดคุนศูนดอกถ้าเราไม่ประมาทเราตั้งใจประพื่อปฏิบัติไปทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยอ ม, มันก็ค่อยได้ได้ไปเรื่อยๆอื เหตุขณะนั้นหนึ่งว่าโอปะในโกน้องก็มาสํารวจเข้ามาอยู่ที่กวางศอกยาวานาคือปริมณฑลอยู่นี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วก็ย้อนเข้ามาในขณะนี้เวลานี้เราติดอยู่ในสมุติส่วนไหนในร่างกายส่วนไหนว่ามันเป็นขอสวยของงามเราหลงอยู่ส่นวนไหนเราก็พิจารณาดูน้อมเข้ามาใน สู่ตายรักอานิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงเราก็อ่านดูอยู่แต่และใจของเรายังไม่เห็นเดี๋ยวนี้ใจของเรายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อคําสั่งสอนของพระสัมมาทิุฐิเจ้าที่แรกกก็ใช้สัญญาความจํานั่นแหละมาขี้คลายมาพิจารณาแยกแยะออกเมื่อสัญญานั้นเราความจําเราพยายามพินิษฐพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เอาส่วนนั้นละมาพิพนิจพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงของเขานั่นเรา ก, ก็จะเกิดปัญญาละบัณฑ์เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายเราก็ไม่หลงละบัณเมื่อเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายแล้วเราก็ไม่อยากจะมาเกิดละในโลกมนุษย์นี้เพราะมันเต็มไปด้วยกองทุกออชาติความเกิดเป็นทุกข์ แล้วก็สวดอยู่ทุกวันเราก็ว่าอยู่ทุกวันแต่เรายังไม่ใจมันยังไม่ลงเมื่อเราพิจ า, <ล> ร, ารณาถอยเข้าถอย <psycho> ออกพิจารณาทุกวันทุกวันดูอยู่ทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะเห็นตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเราก็สบายละบันอยู่ก็อยู่แบบสุขโตไปก็ไปแบบสุขโตอยู่ก็อยู่แบบมีความสุขไปก็ไปแบบมีความสุข อย่างเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะสมมุติว่าเราจะออกไปอยู่จังหวัดอื่นเราต้องมีที่อยู่เสียก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เตรียมพร้อมมีมสเสบียงพร้อมมีอะไรพร้อมคนจะไปสู่โลกหน้าต้องมีบุญมีบุญมีอุศสนพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องสร้างเอาในปัจจุบันนี่แหละที่ยังยังเรายังมีลมปานอยู่นี้เราก็พยายามสร้างเอาทุกพันทุกวัน จิตใจเราก็เบิกบานทุกวันทุกวันเมื่อเราละลึกถึงบุญถึงกุศลเราอ่าใจเราก็เบิกบานเมื่อเราละลึกถึงบุญกุศลมันไม่มีใจเราก็เหี่ยวแห้งนั่นตอนเวลามันจะหมดลมปราณ น, นั่นแ่ะตอนจะสู้กันตอนเวลาสุดท้ายปลายชีวิตนั่นแหละเรียกว่าช่วง จ, จ, จะหมดลมปาณ น, นั่นแหละนั่นแหล ะ, เ, ะเราดูดูตอนนั้นอ่ ถ้าเราเสียก็เสียตอนนั้นน่ะถ้าเราไม่เสียก็ไม่เสียตอนนั้นเหตุะนั้นเราจึงเตรียมตัวไวา้าตั้งค้าไวาย้ยสู้มันก่อนเหตุนั้นการนั่งสมาธิหรือการทําความเพียรท่านจึงอะไรนั่งจนกระทั่งมันเห็นความทุกข์นะเราขี้คายท่านเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของเลิอดทุกเป็นของประเสรศิฐอันนี้เราพอทุก นิดๆน้นนอยๆล้วก็เกิดความรลำเกียดแล้วเราไ ม, ไม่ไม่มาพิจารณาเราไม่น้อมเข้ามาเอา ม, ามาพิจารณามันเลยเกิดทุกข์ทุกข์ที่ร่างกายแล้วก็เลยมาทุกข์ที่ใจอีกถ้าทุกข์ที่ใจในโ อ, โอเป็นทุกข์มากที่สุดท่า น, นถ้าเรามาไม่พิจารณาเหตุกนั้นน่ะลุงปูบัวน้องแจงท่านยิวานนั่งให้มันเลยทุกข์นั่งให้มันเห็นทุกข์อ่า ถ้ามันนั่งเรานั่งเข้าไปนี่ตอนตอนไหนอันที่ขามันเจ็บล้วก็พิจารณาว่าขาเขาเจ็บไหมย้อนเข้ามาถามเข้ามาสอนเราเราเราเอาใจเราสอนเราเองนะว่าขาเขาเจ็บไหมส่วนไหนเขาเจ็บว่าหนังเขาเจ็บเมื่อเวลาคนตายแล้วเอาไปเผาไฟไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจของเราเนี่ย ไปยึดไปถือไปมันหมายอันนั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอะไรอไรก็ของกูก็สิ่งเหล่านั้นมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ชอบใจเสียนะมันอยู่แค่นี้คนเราเราไปยึดไปถือไปมันหมายของเขาอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราแขนของเราขาของเราอะไรก็ของเราหมดอะไรก็ไปยึดไปมั่นหมายเอา ผลสุดท้ายเมื่อเราหมดลมปานแล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็เอาไปไม่ได้เราก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เป็นภาระให้แก่คนอื่นอีกนั่นเหตุนั้นท่านยิ่งว่าให้พิจารณาให้ย้อนเข้ามาดูท่านว่ามันเป็นอสุภะอสุฟังเป็นของไม่สวยไม่งามมันไม่งามอย่างไง เราก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเข้ามาดูเข้ามาให้มันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขาย้อนเข้ามาดูเข้ามาในร่างกายนี้ไม่ว่าทางภายในหรือภายนอกมันเป็นเต็มไปด้วยมูดด้วยคูดขี้งาขี้ใครต้องอาศัยน้ําอาศัยสบู่ซักกอกกลาง เราก็ทำอยู่ทุกวันแต่เรายังไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของเรามันเพลินไปตามสัญญาลมเออบางทีก็ตามอานิธาลมอิทธาลมอนิธาล ม, มเพลินไปเรื่อยๆถือเขาสรนเซิญยนยอก็ดีใจไปเสียเลย ล, ล, ลืมเลยหลงในสิ่งเหล่านี้เกิดเขาติดสินนินทานก็เลยเกิดความทุกข์ใจเนี่ย เรามาติดอยู่สิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามเพิ่มสิ่งสมมุติเหล่านี้เหตุฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยของสมมุติสมมุติเป็นนางกอนางขอนายกอนายขอพระภิกษุกอระยภิกษุขอสมมุติอยู่อย่างนี้เพื่อกันความหลงแล้วเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นอีกมันก็เลยหลงเลยลืม ลืมตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเออบัดนี้เราจะมาขี้คายแยกแยะมาพิจารณาออกให้มันรู้ตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระริยาโลกสาเจ้าทั้งหลายท่านพอพฤติปฏิบัติมาท่านเดินทางมาก่อนเรานั่นเราพยายามน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาให้เห็น ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดไว้ท่านสอนไว้ อ, อแล้วเราทํทําทำยังไงมัน จ, จึงจะเป็นตามนั้นเราก็พยายามทีแรกก็เอาสัญญานี่แหละไปจดไปจําไว้ก่อนแต่สัญญานี้ก็ยังเป็นอนิจจังอยู่นะเป็นของไม่เที่ยงจําได้แล้วก็ลงได้ลืมได้แ สิ่งเหล่านี้เป็นของยังไม่เที่ยงไม่แน่นอน เ, ออเพราะจิตเรายังไม่พ้นจิตเรายังไปยึดอยู่ยังไปหลงอยู่ถ้าจิตของเราปล่อยได้วางได้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขาแล้วเราก็สบายเลวันเ อ, อเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันล่วงลอยไปไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขา เราก็สบายมาเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาบาประพฤติปฏิบัติได้แล้วเอเจนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจเรามันยังกวกแกงอยู่ยังไม่เป็นสมาธิท่านจึงให้กำหนดเอาทมบทใดบทหนึ่งขึ้นมากํากับใจของเราพยายาม เราเคยใช้บททำบทไหนเราก็ก้มหนัดกำหนดทำบทนั้นเอามาพิจารณาเอามาขี้กายเอามาเป็นหลักหลักยึดหให้สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้เราตกน้ําเออเรือก็ไม่มีละเราจะหาอะไรมาเป็นที่ยึดสมมุติว่ามีซากศพลอยอืดมาเราก็ต้องอาศัยซากศพอันนั้นแหละมาเป็นที่ยึด ม, มาเป็นที่เกาะเราเกิดมานี้กับเหมือนกับเราตกในทะเลหลงมหาสมุทรมหาสมุทรมหาทะเลหลงร่างกายนีย้ถ้าเราจะสมมติเหมือนกับเรือเราจะขี่ข้ามฟากขี่ข้ามไปนู่นฟากทางโน้นน่นนะเราต้องอาศัยเรือคือ ธาตี่ขันห่านี่แหละทอไปภายไปแต่ละวันถ้าเราย้อนมาพิจารณามานะดูมาแต่ละวันเราพยายามหาเลี้ยงมันอยู่นี่มันหิวเราก็รับประทานไปมันเหนื่อยเราก็พักผ่อนไปเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะเพราะโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์ ถ้าเราพิจารณาย้อนดูดีๆไม่มีความสุขเลย อ, อย่างเรานั่งนั่งนานไปมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ อ, อหน่เลยยึดแล้วลูกเดินบ้างนอนบ้างมันอยู่อย่างนี้เราจะหาความสุขที่ไหนได้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้ยวยกองทุกข แล้วก็อ่านเราก็ดูอยู่ในธรรมะคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ยังใจเรายังไม่ลงใจยังไม่เชื่อมันยังเชื่อตามจิเลตตามความเชื่อเก่าๆของเราหลายภพหลายชาติวันนี้เราจะมาเพิกเราจะมาถอนมาแยกแย่ยกออกให้สิ่งเหล่านี้มันออกจากใจของเรา เออมันทับผมอยู่เนี่ยเออมันมืดท่านในหลักธรรมท่านเรียกว่ า, าวิชามาปกมันคุมอยู่ที่ใจของเราเนี่ยตอนนี้เราจะมาเพิกเราจะมาขัดท่านจึงสมมุติว่าเป็นตะบะบ้างอืมการนาเพนเพียนน่ะตะบะทำพยายามบําเพ็ญโพธก็ว่าตะบะทำก็ว่าเออ เราก็พยายามชี่้กายดูย้อนดูเข้ามาใจของเราขณะ น, นี้เวลานี้มันไปติดอยู่ในสิ่งใดในวัตถุอะไรเราก็พยายามน้อมเข้ามาเ อ, อสมมติว่าเราติดในทรัพย์สินเงินทองเราก็ย้อนมาพิจารณาดูสิเวลาเราเก็บเราป่วยเราไข้ขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นจะมาช่วยให้เราปลดทุกข์เราได้ไหม เมื่อถึงเวลามันจะไปนั่นนะคนรวยๆมีกองเงินกองทองเยอะๆเวลาป่วยไข้ามาเอาไปนอนอในกองเงินกองทองนั่นนะสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้นะมียาเออนั้นละ่ะพอประทังได้ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันอันะเหตุนั้นสิ่งที่จะพาเราไป ช่วยให้จิตใจเรามีความสุขความสบายนั่นก่อนมีแต่บุญแต่กุศลมีแต่คนงามความดีที่จะพาเราไปนั่นสิ่งเหล่านี้เหตุฉะนั้นท่านจึงว่าปัจจัยเครื่องอาศัยมีอะไรบ้างมีอาหารอ่มีที่มีอาหา ร, ม, ม, าหารมีผ้าเนี่ย มีอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแค่นี้สิ่งที่เราอาศัยเพราะเป็นสิ่งที่อาศัยท่านจึงว่าปัจจัยเครื่องอาศัยพอชูกันไปเลี้ยงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนถึงชั่วอายุไข่แน่แค่นั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้จริงๆนั้นก็คือคุณงามความดีบุญกุศล การที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ละวันละวันนี่แหละแต่วันที่เราเข้าพรรษามาแต่ละคนอย่างทตาญาติโยมก็ตั้งใจมาวัดทุกวันทุกวันตั้งสัจจะอ่าเนี่ยคำว่าสัจจะบาเลยมีนี่เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเออถ้าเราตั้งสัจจะแล้วอย่างเราจะสมมติว่าเราจะมาทาวัดทุกเย็นทุกเย็นเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะ ไต่มาสามเดือนอ่าเนี่ยแล้วก็มาทุกวันทุกวันการไหว้พระการสวดมนต์เนี่ยหละเป็นสิ่งที่เรียกจิตให้เราย้อนเข้ามาถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิจิตเราอยู่ที่ช่วงอุปจาระสมาธิเนี่ยจะสวดได้ดีที่สุดนะนั่นลหละถ้าจิตเราฟุ้งซ่านสวด สมมุติว่ามันพ่วงสัานเราพิจารณาอยู่แต่ละวันละวันมันจะสวดไม่ได้ไม่ได้ดีนะวันไหนจิตเป็นสมาธิจิตปลอดโปร่งมันจะสวดได้ดีนั่นนี่ลหละเราก็พิจารณาย้อนเข้ามาวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นนะให้ยอะน้อมเข้ามาพิจารณ า, ามาดูสิว่าเราได้ สร้างคุณงามความดีได้แล้ว ไ, ได้นั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างเราแต่ละวันละวันเนี่ยเราเราทำอยู่เนี่ยนะมันไม่สมส่วนกันเลยแหละนะถ้าเราพิจารณาย้อนดูเออเราปล่อยใจของเราไปตามสัญญารวมนี่มากกว่าที่เราจะมาสร้างคุณงามความดีมันเลยไม่สมดุลกันนะเาเรียกว่าไม่สมดุลกันมันเลยไม่ ไม่ไม่เห็นผลแต่มันได้อยู่แต่มันได้น้อยแต่ที่สิ่งมันเสียเสียไปมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ละสมมติเราประพฤติปฏิบัติเราสร้างคุณงามความดีลแล้วนะมาร่างสมาธิแหละก็สมมติยกเป็นปุกลาธิฐานอย่างเขาไปค้าขายเนี่ยถ้าเขาได้กำไรเนี่ยเขาจับเพลินนะเพลินในการรับทรัพย ในกําไรของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งแต่ละวันละวันจิตมันเพลินในตามธรรมะคา ส, สอนของพระเจ้าหรือว่ามันเป็นสมาธิมันจะเพลินไปนะมันจะมีมีความเหนื่อยไม่มีความเจ็บปวดเลย ل, แหละออการประพปฏิบัติเมื่อเราพปฏิบัติมันก็มีขั้นของมันอยู่ คานี้กะสมาธิอุปจารสมาธิอุปนาสมาธิเนี่ยเมื่อเราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ย้อนเข้าไปหยุดพักเสียก่อนไปอยู่ในขั้นอั ป, ปนาสมาธินิ่งอยู่นั่นแหละพอหายเหนื่อยแล้วก็ย้อนเข้ามาย้อนออกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิมาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นแหะ เราเคยพิจารณาผมเราก็เอาผมมาพิจี่คายพิจารณาว่าผมมันเป็นของสวยของงามหรือเราติดในหนังเราก็พิจารณาให้เกิดเป็นอสุภาอสุฟังเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วก็ย้อนมาพิจารณาขี้คายนะอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกอยู่นั่นแหละ อ, อ, อตามสติปัญญาของเราเมื่อมันเหนื่อยเราก็บกเข้าไปพักซ้วยก่อนออไปพัก เมื่อมันหายเหนื่อยเราก็ย we right. ่อยมาเหมือนกับเราทํางานนั่นแหละเมื่อมันเหนื่อยเราก็รับประทานอาหารพักผรเมื่อหายเหนื่อยเราก็ทํางานต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติเราทําอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันจิตเราก็คืบหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยได้ไปเรื่อยไปเรื่อยได้ไม่ได้อยู่ที่เรานะเรารู้เราเองเหมือนเรารับประทานอาหาร เมื่อเรารับประทานไปเรื่อยๆเราก็รู้เราเองว่าเราอิ่มหรือไม่อิม่มเราจะไปถามคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่รู้เขา้าไม่เขา้าไม่รับประทานด้วยอันนี้ก็เหมือนกันการประพติธปฏิบัติอยู่ที่เราให้เราย้อนดูทีแต่ก่อนเรายังไม่เคยมานั่งปฏสมาธิไม่เคยมาฝ่าพืชปฏิบัติไม่เคยมาไหว้พระสวดมนต์เราก็ไม่ได้ไหว้พระก็ไม่รู้เรื่องกเกเขินๆ กาบแม้แต่กากา็นะกาบไม่เป็นนั่นเมื่อเรามาบ่อยๆเอทําบ่อยๆเรียกว่าภาวะพาวิตาบาัพโหรกาตาทําให้มากๆเจริญให้มากๆ ม, มันก็เคยชินเข้าเราก็ได้พ้องแฉ่ไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ภูมิใจแต่เราเ้วก็เพลินเหมือนกับกับเขาค้าขายนั่นแหละไม่ได้ไม่อยากหลับอยากนอนละบัอ เพนในการได้กําไรเออถ้ามันขาดทุนแล้วบ้างการประพฤติปฏิบัติทําอะไรก็ไม่ได้จิตฟุ้งซ่านหงุดหงิดจะนั่งก็ไม่ได้จะเดินจมก้มกับเข้าทางเดินโย ม, มกับเอาแล้วบ้าเนี่ยไม่อยากเดินเข้าไปแหละเกลั ว, กกวคนอื่นจะเห็นการสร้างคนงามความดีเราจะไปกลัวคนอื่นเห็นเห็นการช่างเขาเป็นเรื่องของเขาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เวลาเราจะสร้างความชั่วนั่ น, นะเราไม่กลัวคนอื่นเห็นหรือแล้วก็เอาอันนี้เราะมาพิจารณามาแยกแยะมาทบทวนมาบวกลบคูณหารใส่กันมาเนี่ยเราก็ไม่เกิดความอายละบันเราก็ตั้งใจระพึ่งปฏิบัตินี่มันกับเพิินในการทำคุณงามความดีละบันเราอยู่บ้านก็ทำได้ เพราะคนเราเกิดขึ้นมานมีเวลาเวลาทุกคนไม่ได้ว่าไม่ว่าใครหรอกบัดเวลาเราจะมาทำสร้างคุณงามความดีเราก็อ้างมักอ้างเสียว่ามันมีเวลามีล่มเวลาเสียนั่นน่ะเป็นเรื่องของกิเลสมันลากไปดึงไปจูงไปนั่นเราก็หลงไปตามกลมายาของเขาเสียเออบัดเวลากิเลสพาไปนั่นแ่ะไปดึงไปง่ายนะ ท่านจึงประมาประไมเหมือนกับน้ํามันไหลหลงสู่ที่ต่ํามันก็ไหลได้ง่ายการสร้างคุณงามความดีเหมือนกับเข็นโคกขึ้นภูเขามันยากอืมการสร้างคุณงามความดีถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าแล้วมันก็ไม่ยากนะความเชื่อมั่น อท่านจงอาศร์ทธาความเชื่อเชื่อในการศัตรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในการปรพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็มีธาตุสี่ขันธห้าเหมือนเรานี่แหละไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทดเทวดามาจากไหนท่านก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันแต่ทําไมท่านถึงทําได้ก็เพราะท่านสร้างบารามีมาพยายามอยู่ทุกภพทุกชาติอ เราก็เอาอันนั้นแหะมาเปรียบเทียบมานั่นมันเป็นธรรมสอนใจเราเราก็พยายามทําเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสมควรเจอะธรรมะคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตว์อื่นเขาก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเขาก็ไปตามกรรมเขาให้เราพิจารณาส่วนนี้ น้อมมาส่วนนี้ดูเมื่อเราเป็นคนเกียดค้านไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้บางทีมันหมดโอกาสเราไปเกิดเป็นสัตว์ดิาาลพสารหรือว่าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเราก็หมดโอกาสอีกล่ะไม่นับไม่ชาติไม่ท้วนนับภพบไม่ท้วน แอ่มันก็ไม่มีโอกาสนี่เป็นโอกาสดีที่สุดเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ตั้งใจคาพฤ่งปฏิบัติศรออัทธาเราก็มีแล้วเชื่อแล้วว่าการการสร้างคุณงามความดีดี อ, อว่าบุญมีจริง สวรรค์มีจริง <Okay. S 1> นรกมีจริงสิ่งนี้เราก็เชื่อถ้าเราไม่เชื่อในหนังสือที่ท่านเขียนไว้เราก็น้อมโอ้นอมาอีโก้น้อมเข้ามาแต่ละวันเนี่ยใจของเราเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสวรรค์บางครั้งมันก็เป็นนรกมันสลับเปลี่ยนก็อยู่นี้แหละเราจะทำยังไงล่ะ เราจรึงจะทาให้มันเป็นใจมันเป็นสวรรค์เป็นบุญกุศลอยู่ต่อเนื่องกันเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราจะหมดลมปานเรื่อเราจะละสังขารเรื่อจะตายเป็นนว่นละตอนนั้นแหละตอนที่สำคัญเราน้อมถึงคุณงามความดีเราก็ไม่ได้สร้างไว้บุญก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนั่นแหละ จิตใจเรลากหอห์เหลียวระเบนอหมดโอกาสแล้วจะขอพัดวันประกันพุ่งไว้ขอมันยังไม่ได้สร้างคนงามคมนี้ก็ไม่ได้อีกแหละอ่เพราะถึงเวลาแล้วถึงเวลามาจุลาจนนำไปคำว่ามาจุราชน่ยไปเป็นคำสมมุติเฉยๆประความตายนั่นแหละออหมดลมปรา น, นั่นแหละอะ่านจึงว่า อายุไขหมดหมดโอกาสเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะ น, นี้เรามีโอกาสการประพฤติปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีเราก็ตั้งใจตั้งใจกระทาแต่ละวันแต่ละวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมง เราก็มาตั้งใจไหว้พระนั่งสมาธิเอาบุญเอากุศลใส่ใจของเราวันหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ยังดีอยู่นะดีกว่าเราจะปล่อยไปตามสัญญารมของเขาเพลินไปเรื่อยเรื่อยเหตุฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาแต่ละคนเราย้อนดูเออ ชีวิตของคนนะแต่ละคนอน่ะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบุญกุศลที่เคยสร้างสมบมบรมมาแต่ชาติก่อนปางก่อนเราเคยทำดั้งทำมาได้ขนาดไหนแล้วก็ย้อนดูพิจารณาดูสิแล้วเวลานี้ขณะนี้เป็นโอกาสดี ที่เรามาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีใส่ใจของเราให้เราภูมิใจอย่างตัดอื่นหรือบุคคลอื่นเขาไม่มีโอกาสอย่างเราถ้าเราย้อนดูพิจารณาดูภูมิใจด้วยการประพฤติปฏิบัติ แล้วก็เทียบเคียงข้างนอกข้างในบ้างเออการภาะพฤตปฏิบัติแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลพยานดูพิจารณาดูอยู่ที่ตัวใครตัวมันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละบุคคล ที่จะมีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาดูเข้ามาให้มันรู้ให้ภูมิใจในการปรปฏิบัติของเร า, เาว่าเวลานี้ขณะ น, นี้เราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ที่ใจของเราเมื่อเรา